หเป็นวันเสาร์เมื่อคุณสวัสด์เข้าไปหาภรรยาของแกแล้วผมเลยเลี่ยงออกข้ามฟากไปหาคุณนพที่วัดระฆังเพื่อระบายความกลัดกลุ่มที่พบเจอกับปัญหาต่างๆของตึกนี้และผู้ที่จะช่วยระบายไขยข้อข้องใจได้ก็มีอยู่แต่คุณนพเท่านั้นสำหรับคุณนพเองท่านเป็นผู้ที่มีเหตุมีผลและเป็นเจ้าพินิจวิจารเหตุการณ์ต่างๆได้ดี ผมได้เล่าถึงสิ่งแปลกแปลใหม่ที่ได้พบเห็นจนเกิดเป็นปัญหาต่างๆให้คุณนพได้ฟังอย่างละเอียดทุกตอนน่าสงสารท่านพูดแล้วถอนใจสงสารใครครับผมถามก็หนุ่มหน้าใหม่ที่สมัยพูดให้ฟังนะสิอ๋อคุณสวัสด์ถูกแล้วแล้วก็เธอด้วยอีกคนนึงนะสงสารทั้งเธอแล้วก็หนุ่มหน้าใหม่นั่นแหละสงสารที่ต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนแปลกประหลาดถ้าทนอยู่ก็ทนไป ทำได้ก็ทำไปเถอะนะใช้ความกล้าหาญหน่อยโอ้โหต้องกล้าหาญด้วยแหละครับผมยังกับไปรบทัพจับศึกผมเดินไปแล้วก็หวัวเราะไปถูกสิท่านพูดการอดทนต่อทุกๆสิ่งที่ต้องระจลก็นับว่าเป็นความกล้าหาญเหมือนกันนะท่านพูดแล้วก็หวัวเราะเป็นการสนุกหรือขบขันในเรื่องบ้าบอคอแตกต่างๆของผมเออตึกนี้มีกี่ชั้นนะสองชั้นครับตามแบบเก่า แต่ว่ามันมีหลายตอนเป็นตึกสองสาหลังเชื่อมกันโดยที่มันมีสะพานที่แบบเชื่อมกันข้างบนนะครับเพื่อที่จะเดินติดต่อกันได้ทุกหลังบางแห่งเนี่ยก็เป็นเฉลียงติดต่อกันมีหลายซอกหลายมุมแล้วก็หลายช่องทางเดินโหถ้าอยู่น้อยคนนี่น่ากลัวผีครับความใหญ่ของตึกเนี่ยทำให้อากาศเย็นดีมีทั้งช่องทางลมตัดมาหลายทางตึกแบบจีนกลๆนี่แปลกดีนะครับท่านบางแห่งมีอากาศโปร่ง โดยบางตอนเนี่ยไม่มีหลังคาแล้วก็พื้นล่างตรงนั้นก็มีเป็นพวกสวนดอกไม้เล็กๆอยู่ทุกแห่งไปถ้ามีช่องโปร่งที่ใดทั้งดูๆว่าจะมีสะอาบน้ำในตึกนั้นแต่กระผมก็ไม่เคยจะย่างกรายเข้าไปได้เคยได้ยินเสียงคนโดดน้ำเล่นน้ำกันกระผมได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้โดยเฉพาะที่มีขอบเขตที่จากัดให้อยู่ยุบย่ามทั่วไปก็ไม่ได้หรอกครับคนในตึกนั้นเนี่ยอยู่แต่นแต่ชั้นบน ช่วเวลาจะซ้อมดนตรีเท่านั้นจึงจะลงมาให้เห็นตัวห้องอาหารของผู้จัดการก็อยู่ข้างล่างแต่ว่าผัวเมียคู่ใหม่เนี่ยก็อยู่ข้างบนเช่นกันแต่จะอยู่ตอนไหนเนี่ยกระผมไม่ทราบอืมน่ากลัวท่านพูดเฉยๆครับผมน่ากลัวตึกนี้ถ้าไม่มีใครอยู่เนี่ยจ้างผมไปเฝ้าเดินละหมื่นผมก็ไม่รับประทานหรอกครับอ่าแล้วที่บ้านนั้นนี่มีเด็กบ้างไหมล่ะท่านถามไม่มีเลยครับผมทั้งบ้านนี่มีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้น แล้วก็คุณสุรินทร์คุณเรนูก็ไม่มีลูก อ, อยู่กันมาหลายปีแล้วไม่มีลูกเอ๊ะท่านรู้จักแหละครับผมย้อนถามอย่างแปลกใจอ๋อเพื่อนนั้นน่ะเขารู้จักดีเขาเล่าให้ฟังชั้นเดิมคุณสุรินทร์เนนะ่เป็นผู้ช่วยคุณสุนทรผู้จัดการอยู่แล้วแล้วก็อยู่ๆไปคุณสุนทรเกิดลาออกไปเกิดสุขภาพไม่สมบูรณ์คุณสุรินทร์ก็เลยได้เป็นผู้จัดการแทนแล้วก็ได้แต่งงานกับคุณเรนูลูกสาวของนายห้างนั่นแหละ อ๋อผมร้องบุญของผู้จัดการแกนะครับถูกแล้วบุญจริงๆคุณสุรินทร์น่ะแกเป็นคนอดทนแล้วก็กล้าหาญมากเขารวยแน่ๆรวยคนเดียวด้วยไม่รวยคนเดียวแน่ครับผมท้วงคุณเรนูจะยอมหลหรครับนายห้างอีกละ่ะเพราะว่าโรงงานนี่ไม่ใช่ของคุณสุรินทร์นี่ครับผมเออสมัยเธอนี่ยังไม่รู้เรื่องของเขาพอคุณสุรินทร์รวยจริงๆ โรงงานนั้นเนี่ยเป็นของเขาแล้วทั้งหมดเอาเถอะในวันหน้าเดี๋ยวเธอก็รู้เองและเธออาจจะมีโชคด้วยท่านว่าเอโชคอะไรครับผมย้อนถามไปตามเรื่องทั้งๆ ท, ท, ที่มองไม่เห็นว่าผมจะมีโชคอะไรคงเป็นธรรมดาของผู้ใหญ่ที่รักและเวทนาก็พูดไปตามความเมตตาที่มีอยู่เอาเถอะสมัยโชคของเธอจะต้องมีหลายอย่างถ้าเธอไม่ทำตัวเป็นคนชอบย้ายงานหรือไม่กล้าหานอดทนลาออกหนีไปก่อนนะ เธอจะมีโชคจริงๆเอาไว้ถึงเวลานั้นเดี๋ยวเธอก็รู้เองคืนนั้นผมกลับจากวัดระฆังแล้วรับประทานอาหารแล้วก็รีบไปอาบน้ำห้องน้ำอยู่ห่างห้องพักของผมมากอยู่ทางเดินไปห้องน้ำจะต้องผ่านช่วงทางหนึ่งที่มีลมพัดมาอย่างเย็นสบายมองไปไกลหน่อยก็จะเห็นสุดทางมีสวนดอกไม้และที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีช่องโบ่ข้างบนที่เปิดอากาศเห็นท้องฟ้าในคืนนั้นเอง ผมเริ่มทำตัวเป็นคนไม่รักษาวินยัยเดินล่วงเลยเขตที่เขาจำกัดไว้สำหรับคนอื่นที่ไม่ใช่วงญาติของตึกนั้นด้วยความมืดอย่างหนึ่งและความอยากเห็นที่แปลกๆของตึกนั้นอยากเห็นสวนดอกไม้เล็กๆภายในตึกจึงทำการย่องอย่างเบาไม่ให้มีเสียงและบังเกิดเงามืดเข้าไปในใกล้สวนดอกไม้แต่ที่ตรงสวนดอกไม้นั้นมีไฟฟ้าแสงอ่อนๆติดอยู่สลัวๆเหมาะแก่การเป็นที่พลอดรักของหนุ่มสาว ผมเกรงใครจะเห็นตัวผมจึงบังเงามืดของเสาตึกต้นใหญ่มองแลลอดไปชมดอกไม้ที่ชูช่ออยู่กับแสงไฟอ่อนๆและในขณะนั้นเองผมก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะมีเสียงของหนุ่มสาวอยู่แถวนั้นและกำลังพูดกันอยู่ผมรีบแนบตัวเข้าชิดเสาตึกรู้ตัวว่ากำลังทำผิดที่ล่วงล้ำเขตเข้าไปเกรงผู้พูดทั้งสองจะเห็นตัวเข้าผมหายใจไม่เป็นปกติเสียงฝ่ายชายพูดว่าคุณสายรุง้ง ผมรู้ตัวนะว่าผมนี่เลวซามพอดูที่ไม่ได้แอบไปที่บ้านผมเองเลยควรจะไปบ้างเพื่อไปดูลูกต่อยของผมแล้วก็ดูนวล น, น้อยฝ่ายชายพูดแต่ว่าต้องหยุดเพราะฝ่ายหญิงพูดขัดขึ้นกลางคันแต่ว่าคุณก็รู้อยู่แก่ใจนี่คะคุณเทพว่าคนอย่างพวกเราเนี่ยจะไปไหนมาไหนพบปากกับฝูงชนย่อมเกิดภัยแก่ตัวเองคุณเองก็รู้กว่าจะหลบหลีกตัวมาถึงดิฉันได้ก็แย่แล้วถูกอย่างคุณสายรุ้งว่านะครับ เท่าที่ผมพูดนะผมพูดอย่างปลารบเท่านั้นเองสายรุ่งก็รู้ก็เห็นอยู่แล้วนี่ว่าตั้งแต่ผมผ่านข้ามน้ําข้ามทะเลมาก็มาอยู่ใ น, นตึกนี้เท่านั้นเลิกคิดซะถค่ะคุณก็เด็ดขาดจากทางบ้านคุณแล้วนับแต่นาทีนั้นความจริงผมอายตัวเองที่สุดเท่าที่แอบฟังคาสนทนาของผู้อื่นมันบังเอิญแท้ๆมาพบเข้าโดยไม่ตั้งใจและก็บังเอิญอีกที่เสียงฝ่ายหญิงและก็ชายสองคนนี้จําได้ ครั้นได้ยินเสียงเรียกฝ่ายชายว่าคุณเทพผมก็สะดุ้งใจเพราะจำชื่อนี้ได้แว่แวๆ แ, และเมื่อสองสามวันนี้ผมเห็นว่าเขามาร่วมวงอยู่ในตึกนี้โดยใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณสายรุ้งเจ้าของเสียงฝ่ายหญิงพอได้ยินชื่อเทพผมก็เกิดสนใจขึ้นนึกจำได้ว่าชายคนนี้ผมเคยเห็นหน้าที่ไหนมาก่อนอ๋อที่แท้ผมเคยเห็นหน้าเขาและก็ชื่อเขาในหน้าหนังสือพิม ที่ผมอ่านเมื่อหลายวันแล้วนั่นเองชีวิตของคนชื่อเทพนี้น่าสนใจอยู่เป็นชีวิตครอบครัวที่น่าหดหูใจด้วยว่าดรเทพเจือมณีคนนี้ได้ไปสำเร็จปริญญาจากยุโรปขากลับเมืองไทยเรือบินเกิดอับปางพุ่งลงก้นทะเลหายไปหาศพกันไม่ได้ทั้งลำเรือรายนามผู้โดยสารทั้งหมดประกาศโรคในหนังสือพิมพ์ทั้งลงรูปภาพดรเทพผู้นี้อยู่ชัดเจนพร้อมกับคุณนวล น, น้อยผู้ที่เป็นภรรยา ทางกรุงเทพมหานครข่าวนั้นยังบอกอีกว่าคุณนวล น, น้อยกอดลูกคนเดียวของเธอร้องไห้สลบพับไปนี่หละเหตุผลที่ทำให้ผมกลายเป็นคนเสียมารยาทเพราะมาพบเอาผู้ที่สนใจอยู่ก็เลยต้องแอบฟังเลิกคิดดีกว่านะคะไหนๆคุณก็ขาดกับเขาแล้วเสียงฝ่ายหญิงพูดต่อคิดใหม่ดีกว่าค่ะเพราะว่าไหนๆคุณกับฉันก็รักกันมาก่อน แต่ว่าที่เรายังเป็นของกันและกันไม่ได้ก็เพราะว่าคุณพ่อของฉันเกี่ยงงอนเรื่องฐานะของคุณแต่เดี๋ยวนี้เวลานี้เราเป็นของกันและกันอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะจริงของสายเฮอะไรอะไรก็ผ่านไปแล้วนะแต่เอ๊ฝ่ายชายกำลังพูดแต่ร้องเอ๊ะขึ้นมาเฉยๆพร้อมกับหยุดพูดกระทันหันผมสะดุ้งทั้งตัวคู่สนทนาต้องรู้แล้วว่ามีผมแอบฟังการสนทนาของเขาอยู่ผมเหลียวซ้ายแลขวา จิงอยู่เหลียวไปก็ไม่พบใครเขาทั้งสองคงแอบตัวซะแล้วผมอายใจตัวเองคล้ายกับเป็นไข้ค่อยๆ ย, ย่องกลับโดยไม่เหลียวหลังไปดูเลยผมรีบเข้าห้องน้ำอาบน้ำอย่างลุกลวกและกลับเข้าห้องพักของตัวเองทั้งที่หัวใจยังเต้นไม่หายแต่นึกถึงหนังสือพิมพ์ก็มุดเข้าไปใต้เตียงค้นหาฉบับที่ลงข่าวดอตอร์ผู้นี้ ผมเป็นผู้มีนิสส่ว่าถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับไหนถ้ามีข่าวที่น่าสนใจจะต้องเก็บไว้เสมอมาค้นอยู่ครู่หนึ่งก็พบฉบับนั้นแม้ด็อเตอร์ผู้ทรยศเมียลงรูปกาอยู่หน้าต้นและข่าวว่าตายที่ก้นทะเลหาศพไม่ได้ที่แท้แล้วด็อเตอร์ผู้นี้ก็ไม่ได้ตายจริงๆตามข่าว เป็นแต่ว่ามีรายนามในทะเบียนผู้โดยสารเครื่องบินเที่ยวนั้นแต่หากมาสนามบินไม่ทันเวลาเรือบินออกซะแล้วเลยไม่ได้มาเที่ยวนั้นครั้นทราบข่าวว่าเรือบินเที่ยวนั้นตกทะเลก็เลยคลุมหัวตัวเองกลับกรุงเทพโดยมาซุ่มอยู่เสียกับคู่รักเก่าที่เป็นเศรษฐีทิ้งลูกทิ้งเมียทุยมนุษย์ชนิดนี้ก็มีด้วยคิดแล้วใจหายหลับตาเห็นนางนวล น, น้อยผู้ภรรยากําลังกอดลูกน้อยสลบอยู่ผมก็ถอนใจเฮือก แต่ถึงอย่างไรเรื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องของผมผมไม่มีสิทธิ์จะไปเกี่ยวข้องอะไรผมแต่งตัวแล้วก็มาพบคุณสวัสด์ที่นั่งอยู่ในห้องดนตรีหัวใจยังสบายนึกว่าอยู่ประเดี๋ยวคู่สนทนานั้นคงจะเข้ามาในห้องดนตรีแล้วผมจะวางหน้าอย่างไรเราลงมือซ้อมกันโดยผมสีซอนำเขาทั้งหมดในครู่นั้นเองคุณสายรุ่งและคุณเทพก็เข้ามาในห้องเหลือดูผมด้วยสายตาที่ไม่พอใจ ผมใจหายวูบสีซอผิดผิดถูกถูกแล้วก้มหน้าเสียไม่ยอมสบตากับคนทั้งสองนั้นเจ้าประคุณเอ้ยเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องของลูกเลยไม่ได้หนักศีรษะของลูกเลยแต่ลูกไปบังเอิญพบเข้าจริงๆเวรกรรมตอนเช้าในห้องอาหารผมสังเกตกิริยาทุกคนที่เคยร่วมรับประทานอาหารด้วยกันเกิดผิดแปลกไปคุณเรนูขึมไปไม่ค่อยพูดค่อยคุยคุณสุรินทร์ก้มหน้าก้มตารับประทานอาหาร ส่วนคุณจิตรากับคุณสวัสดิ์คงเดิมผมรับประทานอาหารไม่เต็มท้องจิตใจไม่สบายเลยตอนไปทำงานคุณสวัสดิ์มัวก้มหน้าทำงานผมหันหน้าไปตรงคุณสุรินทร์แกเลยพยักหน้าเรียกให้ผมไปหาที่โต๊ะสมัยฉันมีเรื่องจะพูดกับเธอผู้จัดการคนนั้นพูดสั้นๆหัวใจผมวูบแล้วก็นิ่งฟังมันมีเรื่องขึ้นผู้จัดการว่า มีคนในตึกเขาฟ้องเมียฉันว่าเธอไปพบไปเห็นอะไรบางอย่างที่เขาไม่ต้องการจะให้เธอรู้เธอเห็นที่ฉันพูดเนี่ยเธอก็คงรู้แล้วนะว่ามันเรื่องอะไรกันเขาฟ้องมาฉันก็รับฟังแต่จะอย่างไรฉันก็มีใจเอียงเข้าข้างเธออยู่นั่นแหละฉันเพียงจะขอร้องเธอว่าจะรู้จะเห็นอะไรในตึกนั้นก็จงระ ง, งับอยู่แค่เธอก็พอนะแล้วก็เลิกเอาใจใส่ซะเลยอย่ายุ่งกับเขาผู้จัดการพูดแล้วก็ถอนใจยาวผมเองก็ถอนใจเฮือก นึกอยู่แล้วว่าคงจะต้องถูกฟ้องกระผมเรียนด้วยความสัตย์กระผมไม่ได้ใส่ตัวใส่ใจเข้าไปหาเรื่องนั้นเลยแต่บังเอิญจริงๆครับกระผมเสียใจจนนอนไม่หลับผมพูดด้วยความจริงใจทั้งหม่นหมองที่มากลายเป็นคนที่น่ารังเกียจชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นฉันรู้ผู้จัดการพูดกระผมกลุ้มในใจทั้งคืนรู้ตัวว่าสองคนนั้นโกรธผมสังเกตได้จากที่พบกันในวงดนตรีแกมองผมอย่างรังเกียจ และยิ่งเมื่อเช้านี้กำลังรับประทานอาหารคุณเรนูก็มีกิริยามืนตึงไปกระผมก็รู้ว่ากระผมมันถูกฟ้องแล้วเวลานี้กระผมนึกอยู่ว่าจะทําโทษตัวเองจะลาจากตึกนี้ไปนอนบ้านกระผมเข้ามาทํางานเย็นกลับกลางคืนมาสอนดนตรีเลิกแล้วก็กลับบ้านตามปกติที่คนอื่นเขาทากันจะดีไหมครับกระผมไม่กล้าสู้หน้าเขาจริงๆกระผมผิดจริงๆครับเกิดอยากดูสวนดอกไม้ที่ปลูกในตึกขึ้นมาว่าเขาทาอย่างไร ก็เลยเดินเลยขอบเขตที่ห่วงห้ามเข้าไปจึงขอรับผิดในประเทศตัวเองออกจากตึกนี้ทําไมเธอพูดอย่างนั้นล่ะสมัยเธอหยุดคิดอย่างนั้นเลยนะฉันต้องการเธอเธอต้องเป็นเพื่อนฉันเสมอความผิดนั้นไม่ได้รุนแรงอะไรเลยและทั้งก็ไม่มีใครกล้าจะมาพูดอะไรได้ถ้าฉันต้องการเธอเรื่องคิดจะจากไปนั้นอนะหยุดคิดได้อย่าคิดแบบนั้นอีกต่อไปนะผู้จัดการลงท้ายด้วยเสียงบังคับ ตลอดคําพูดของท่านช่างรักและเมตตาผมยังเห็นชัดรู้สึกเกรงใจและรักน้ําใจรีบยกมือไหว้และพูดว่าครับผมกระผมจะไม่จากคุณไปอย่างแน่นอนผมนึกใจหายในคําว่าฉันต้องการเธอเธอต้องเป็นเพื่อนฉันเสมอโอ้ยช่างเมตตาและยกย่องเอาขึ้นเป็นเพื่อนในระหว่างที่พูดกันอยู่นั้นใจผมก็นึกอยู่ว่าพรุ่งนี้ต้องระเหิดไปวัดระฆังอีกแล้วไปเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้คุณนบฟังทั้งหมด คืนนั้นเล่นดนตรีไม่สนุกเลยแต่ยังชั่วที่ศบตากับคุณมาลียังเห็นแววตาเมตตาอยู่มากก็คลายใจหายทุกเลิกดนตรีแล้วผมก็กลับห้องของผมพอนั่งพักที่เก้าอี้ชั่วอึดใจก็มีเสียงใครเคราะประตูเบาๆผมชงนนักนับแต่มาอยู่ในตึกนี้เมื่อผมเข้าห้องผมและไม่เคยมีใครมาเรียกผมเลยถ้าจะเป็นคุณสวัสดิ์กระมังผมก็เลยรีบไปเปิ ด, ป, ดประตู พอบานประตูเปิดออกผมแทบหมดลมเพราะคนที่มาเรียกคือคุณมาลีผู้เป็นยอดแห่งความฝันของผมผมเซถอยหลังคิดไม่ถึงว่าคุณมาลีจะมาดังนี้เธอรีบผลักประตูเข้ามาแล้วก็หันปิดลงกรอนไว้ดังเดิมสมัยเธอมีทุกข์ร้อนใช่ไหมเธอเรียกชื่อผมอย่างกันเองเหมือนที่เคยสนิทสนมกันมาหลายปีหรือเคยเป็นที่รักกันมาอย่างดูดดื่มผมรู้สึกหัวใจวูบซาบซ่านครับ ผมตอบรับผมเนี่ยกลุ้มอยู่ในหัวใจของผมครับเรื่องของเมื่อวานนี้ผมพูดแล้วก็นึกรู้ทันทีว่าเรื่องของผมเมื่อคืนนี้ถูกพูดแล้วก็รู้เรื่องกันหมดแล้วทั้งตึกอ๋อเรื่องเล็กคุณมาลีพูดแล้วก็ยิ้มไม่มีอะไรมากเลยทําไมสมัยถึงคิดจะจากตึกนี้ไปละ่ะเธอพูดแล้วก็จ้องหน้าผมผมรู้สึกลมขึ้นมาจุกที่คอหอยเรื่องพูดนั้นผมพูดกับท่านผู้จัดการเหตุใดคุณมาลีถึงรู้ได้ คุณมาลีคงรู้จักผู้จัดการแล้วแน่นอนผมเลิกคิดแล้วครับผู้จัดการห้ามไม่ให้ผมคิดอีกผมตอบเธอแล้วก็มองเธอด้วยหัวใจร่ำรวยกลิ่นตัวของเธอหอมฟุ้งหน้าเข้าไปเอาหัวหนุนซุกตักฉันดีใจมากเลยนะที่สมัยเลิกคิดจะไปจากตึกนี้เนี่ยฉันลา ก, ก่อนนะสมัยพรุ่งนี้พบกันเธอพลุนผันลาจากเก้าอี้ผมยืนงง ง, งนันพูดไม่ออกเธอเปิดประตูออกไปเอง ก่อนจะจากไปเธอก็เหลียวทอดสายตามาสบตาผมอย่างมีอะไรในดวงตานั้นคล้ายจะบอกความอะไรในใจผมยืนนิ่งเหมือนถูกมนเรื่องการจะหนีหน้าไปจากตึกนี้เป็นไปไม่ได้แล้วในชีวิตนี้เธอจากไปแล้วตั้งนานผมจึงได้ปิดประตูกลิ่นตัวของเธอยังคงหอมฟุ้งติดห้องผมนั่งเก้าอี้ด้วยหัวใจระรวยจำกิริยาเธอได้ติดตากิริยานั้นแสดงความเห็นอกเห็นใจออกชัด ในคืนนั้นผมนอนคิดนอนฝันไปอย่างบ้าๆมาลงท้ายเอาว่าเกิดคําถามในใจขึ้นมาผมจะเอาสมบัติอะไรไปสู่ขอเธอกับนายห้างเล่าดูแต่คุณเทพกับคุณสายรุ้งสิที่คุณเทพต้องไปแต่งงานกับคนอื่นจนมีลูกเต้าก็เพราะว่านายห้างเกี่ยงเรื่องของฐานะของคุณเทพยังไม่พอกับคุณสายรุ้งตามที่ผมแอบได้ยินคุณสายรุ้งพูดในคืนนั้นคิดดูสิว่า แม่คุณเทพซึ่งมีความรู้สูงกว่าผมเทียบฟ้ากับดินยังถูกกีดกันแล้วฐานะผมล่ะความรู้ผมละ่ะจะอะไรเล่ามาเป็นหลักประกันเพื่อที่จะไปสู่ขอเมื่อคิดถึงตอนนี้แล้วใจของผมก็เหงาลงถนัดเลยนอนพลิกคว่ำพลิกงายหลายตลบกว่าจะหลับได้รุ่งขึ้นผมทำงานด้วยจิตใจแจ่มใสจริงคุณมาลีช่างเป็นแม่แรงให้ผมเหลือเกินและเป็นอีกคนหนึ่งที่ให้กาลังใจแก่ผม นอกจากคุณสุรินทร์ไปเมื่อผมมีปลอกคออยู่ถึงสองอันเช่นนี้ถึงคุณเทพกับคุณสายรุ้งจะไม่ชอบผมหรือจะชวนใครๆในตึกนั้นให้เกลียดผมผมก็ไม่หวันเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยจริงๆเรื่องกินปูนร้อนท้องไปเองก็ช่วยไม่ได้แต่เรื่องที่ผมจะนําเรื่องการทรยศของคุณเทพไปบอกกับทางครอบครัวคุณเทพน่ะหรอเป็นไปไม่ได้แน่มันไม่ได้ดิบได้ดีอะไรขึ้นมาทั้งก็ไม่ได้มาหนักศีรษะอะไรผมความดีความชั่วเป็นของคุณเทพเอง ส่วนผมมีรักของผมก็สบายแล้วก็สุขใจดีแล้วผมมีสวรรค์ของผมแล้วเก็บปากกาเข้ากระเป๋าเมื่อระคังโรงงานตีบอกเวลาพักเที่ยงผมเผลอตัวร้องเพลงหญิงหญิงออกมาด้วยความสุขใจพอรู้สึกตัวว่าทำผิดปกติก็เหลียวดูผู้จัดการและคุณสวัสด์ก็เห็นทั้งสองมองดูผมอย่างประหลาดใจผมก็เลยเกอ้อยิ้มแห้งๆแล้วก็เดินออกจากโรงงานตามเคยคุณไม่เข้าตึกหรอครับ อ๋อวันนี้ผมอยากไปหาอะไร แ, บบแปลกๆทานกับคุณบ้างอะครับอ๋อดีเลยครับเชิญเลยฮะจะได้คุยกันผมพูดแล้วเราก็พากันเดินไปถึงร้านอาหารที่นี่มีอาหารหลายอย่างครับเลือกสั่งได้ตามใจผมแนะนำเขาเพราะว่าผมถนัดอาหารร้านนี้มาหลายเดือนผมมีเรื่องจะพูดอะไรกับคุณเล็กน้อยคุณสวัสด์พูดขึ้นขณะที่หยิบอาหารใส่ปากโ อ, อเชิญเลยครับเชิญเลยผมตอบรับเขาหยุดหาคาพูดอยู่นิดนึง ผมคิดแล้วแล้วก็แน่ใจแล้วว่าคำพูดของผมทุกคำที่พูดกับคุณเนี่ยคงจะ ก, การุณาเก็บเป็นความลับเฉพาะคุณแล้วก็ผมเท่านั้นเพราะผมไม่มีเพื่อนที่ไหนอีกเลยทั้งผู้ที่เพียงคุ้นเคยก็ไม่มีเพื่อนที่ผมไว้ใจก็มีแค่คุณเท่านั้นอ๋อขอบคุณครับที่ไว้ใจผมผมมีเรื่องจะขอความการุณาจากคุณผมมีทุกขเขาหลุดลอยออกมาคล้ายกับพูดกับตัวเองพร้อมกับมีกิริยาเหลียวซ้ายแลขวาฮะอะไรนะ คุณนั่นแหละครับมีทุกใช่ครับผมมีทุกขชนิดที่ไม่ทราบว่าจะให้ใครช่วยได้ถ้าคิดว่าผมช่วยได้ก็เชิญเลยนะครับคุณสมัยคุณพอจะช่วยหาที่ไหนพอให้ผมไปอาศัยแอบซ่อนตัวได้บ้างผมถึงกับหยุดหายใจไปนิดหนึ่งผีสางอะไรดนใจให้เขาพูดออกมาเช่นนั้นล้านเคยของนายห้างบุญตั้งผู้เป็นเศรษฐีใหญ่จะมีโทษอะไรถึงกับหลบซ่อนตัวกลัวภยัยขอโทษครับพูดให้เข้าใจหน่อยเถอะ ผมอยากจะหนีจากตึกนี้ไปซ่อนตัวผมเบื่อชีวิตของผมที่ตึกนี้เต็มทนละไปสองคนกับคุณจิตราใช่ไหมครับอ๋อไม่ครับไปคนเดียวเอ๊ะผมงงจริงๆครับคุณสวัสด์ผมร้องขึ้นอย่างประหลาดใจอย่าประหลาดใจเลยครับคุณสมัยผมมีเรื่องจริงๆเป็นเรื่องที่คุณไม่รู้อ้าวเรื่องที่คุณขอร้องผมมานี่มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับผมเลยนะคุณนะแต่คุณก็คงพอช่วยผมได้ใช่ไหมถ้าถึงเวลาที่ผมตัดสินใจจะหนี อ๋อช่วยนะช่วยได้แต่ว่าผมจะช่วยสุ่มๆไปได้ยังไงล่ะถ้าไม่รู้ต้นเหตุเอาล่ะครับเพียงรู้ว่าคุณจะช่วยได้ก็พอแล้วในวันที่ผมตัดสินใจจะไปเดี๋ยวผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณฟังว่าเป็นเพราะอะไรทำไมผมถึงต้องหนีจากตึกนี้ตึกที่ให้ความผาสุกแก่ผมดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาหยุดพูดแล้วก็เอามือกลุมหัวถ้าผมเองนั้นมีความรู้สึกคล้ายฝันอยู่เกิดมาพบเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าจะพบ ตึกนี้ช่างมีอะไรที่น่าปวดหัวจริงๆอะไรๆในวันนี้แล้วก็ชั่วโมงนี้ผมขอกรดุนาให้เก็บเป็นความลับด้วยนะครับเขาขอร้องแล้วก็มองตาผมอย่างขอความเห็นใจอ๋อได้ครับสบายใจเถอะผมตอบให้เขาคลายกังวลผมขอบคุณคุณจริงๆครับผมไม่มีที่พึ่งที่ไหนอีกแล้วถ้าผมตัดสินใจแน่วันไหนผมจะอธิบายให้ฟังผมขอร้องให้ช่วยวันนั้นทีเดียวตกลงครับตอนบ่ายเข้าทางาน คุณสวัสด์นั่งทำงานอยู่เฉยๆไม่มีท่าทางว่าจะเดือดร้อนอะไรแต่ผมสิหูยังก้องอยู่ในคำขอร้องของเขาตลอดเวลาไม่ไหวแน่เลิกงานนี่แล้วต้องวิ่งไปวัดระฆังอีกแล้วมิฉะนั้นอกแตกตายต้องไประบายกับคุณนพขอให้ช่วยวิจารณ์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในสองสาวันนี้เพราะเรื่อ ง, องคุณสวัสด์เนี่ยใหม่ๆสดๆร้อนๆ น, นี่เองที่ปวดเสียนเวียนกล้าวเขาไม่พูดอะไรให้จบ ทิ้งท้ายไว้ให้เป็นความลับเราก็กลุ้มใจเพราะเรื่องของแกนั้นเหมาะที่ผมจะช่วยหรือไม่ในตอนเย็นนั่นเองผมก็มานั่งพับเพียบอยู่ต่อหน้าคุณนบที่วัดระฆังคนใช้ที่ตึกนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายละ่ะคุณนบถามผู้หญิงทั้งนั้นแหละครับท่านเท่าที่เห็นสมัยเคยบอกฉันว่ามีคนใช้ภายนอกอีกที่ซื้อของต่างๆมาส่งให้นะ่ะคนเหล่านั้นนะ่ะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง คนใช้นอกตึกน่ะเป็นชายครับท่านฟังผมแล้วก็พยักหน้าอย่างใช้ความคิดแต่จะได้ผลลัพธ์อย่างไรบ้างไม่พูดให้ฟังว่าเป็นอย่างไรที่ผมก็ได้เล่าอาะไรอีกมากมายให้ฟังอย่างละเอียดแม้แต่เรื่องที่ควรปกปิดก็ไม่ได้ปิดท่านนั่นก็คือเรื่องของคุณมาลีที่เข้ามาหาผมถึงห้องส่วนตัวและทั้งระบายความในใจให้ท่านทราบว่าผมชักจะรักคุณมาลีสมัยท่านเรียกชื่อผม ฉันขอร้องให้เธอเลิกเอาใจใส่เรื่องของดรเทพแล้วก็คุณสายรุ้งของเขาซะเถิดสมัยจะได้สบายใจไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่มันจะเอาเรื่องของเขามาใส่ในเรื่องของเราความจริงเขาทั้งสองเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรผิดศีลธรรมแต่อย่างใดนะสมัยอย่ายื่นมือไปเกี่ยวข้องเรื่องผัวผัวมีเมียของเขาเลยมันผิดทั้งทางมารยาทแล้วก็ทางธรรมยิ่งเป็นฉันก็ยิ่งเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ส่วนเรื่องคุณมาลีนั้นเนี่ยฉันดูสมัยก็สมัครใจอยู่แล้ว ฉันจะไม่กล่าวอะไรเลยเพราะมันเป็นเรื่องของสมัยโดยเฉพาะเรื่องรักๆใคร่รๆพระเข้าไปเกี่ยวไม่ได้หรอกในวันข้างหน้าสมัยอาจจะตัดสินใจในการครองเรียนหรือครองชีพของสมัยเองท่านพูดแค่นี้และท่านก็หยุดพูดไปผมเองก็เห็นด้วยที่ท่านว่าผมไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของดรเทพแล้วก็คุณสายรุง้งแต่ที่ท่านพูดว่าทั้งสองไม่ได้ผิดศีลธรรมอะไรนั้นผมก็ฟังดูขัดหู คนที่ลวงโลกเช่นนั้นไม่ผิดก็ฟังประหลาดแต่ผมไม่กล้าจะขัดคำพูดของท่านในการที่ไม่ขัดและห้ามผมในเรื่องคุณมาลีนั้นผมชอบใจนักถ้าท่านเกิดห้ามผมว่าอย่าทำตัวแบบแมวกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาผมคงกลุ้มใจแน่นอนก็ความรักมันจับใจซะแล้วไม่ใช่สาวๆเด็กๆแต่ว่ามันเป็นความรักที่เราต่างก็เห็นดีด้วยมันจะเป็นอย่างไรไป ผมกลับถึงตึกตามเวลาที่เคยการอาบน้ำของผมวันนี้ผมเองไม่ยอมที่จะเดินเลยห้องน้ำไปเพื่อที่จะไปเดินดูดอกไม้อีกเป็นอันขาดเข็ดซะแล้วกลัวจะไปผิดเข้าอีกอากาศมืดแล้วแสงไฟก็สลัวๆที่ทางเดินไปห้องน้ำผมเห็นใครยืนอยู่ชิดผนังตึกอยู่คนหนึ่งทำให้สะดุ้งกลัวและเกิดผิดอะไรขึ้นอีกผมจำเลืองมองดูเจ้าของร่างนั้น แต่ว่าแสงสว่างไม่อำนวยให้เห็นชัดว่าผู้นั้นคือใครแต่กลิ่นน้ำหอมที่คล้ายกํายานทำเอาผมสะดุง้งกลิ่นนั้นก็คือกลิ่นของคุณมารีผมก็เลยหยุดยืนในระยะพอเหมาะสมัยคืนนี้เลอกดนตรีแล้วฉันขอพบตรงนี้หน่อยนะเธอพูดก่อนที่จะพูดอะไรออกมาเธอพูดจบประโยคแล้วก็บกมือลาไม่ยอมให้ผมพูดอะไรเลยเธอรีบเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งผมเก็บความดีใจชนิดเหลือประมาณไว้ในใจ ที่ได้พบกับคุณมาลีอีกใกล้ๆตัวคืนนั้นการสอนดนตรีเป็นไปได้อย่างฝืนๆเพราะว่าจิตใจผมมันจดจ่ออยู่ที่ว่าเลิกแล้วจะได้พบคุณมาลีเป็นการส่วนตัวเวลานั้นคุณมาลีนั่งตีขิมสงบสงเสงี่ยมตามเคยผิวกายเปล่งปลั่งหน้าตาของสาวอายุมากนี้ช่างสวยลึกๆมีอำนาจสเสน่ห์อย่างประหลาดนานๆเราจะศบตากันครั้งหนึ่งและทุกครั้งผมก็ชื่นใจดื่มด่ำสุดจะพรน า, นา นับแต่เป็นหนุ่มสาวมาไม่เคยได้รักหญิงใดเนื่องจากประมาณตัวเองนับแต่ฐานะและความรู้อีกทั้งตระกูลดูเป็นชายที่ยังไม่พร้อมจะรักใครได้ครั้นเกิดมารักเอาสาวมีอายุเข้าความรักที่ไม่เคยมีมาในชีวิตจึงหนักและล้นหัวใจทั้งรักทั้งบูชาเธอที่สุดทั้งทางที่เธอเองก็ไม่เคยบอกผมเลยว่าเธอก็รักผมแต่ผมก็มั่นใจว่าเธอรักผมเหมือนกันตามที่ดวงตาศบกันบ่อย ผมสุขใจที่ว่าจะไม่มีคู่แข่งเป็นอันขาดในตึกนี้ไม่มีใครจะมาติดต่อหาสู่ทั้งคนในตึกก็ไม่ไปมาหาใครย่อมไม่มีหนุ่มหน้ามนคนไหนที่มีฐานะดีเข้ามาเป็นก้างขวางคอและยุ่งเหยิงให้เกิดห่วงเป็นอันว่าหนุ่มที่เด่นอยู่ในใจของคุณมาลีต้องเป็นผมคนเดียวเท่านั้นผมชักจะชอบระเบียบของตึกนี้ซะแล้วสิแต่เดิมมาไม่เคยชอบเลยเห็นว่าคับแคบต่อวงสังคมแต่ว่ามาบัตดนี้ เห็นว่าดีจริงๆที่อนุญาตแค่คนภายในเท่านั้นที่จะสนิทสนมกันได้โดยมีขอบเขตพอเลิกดนตรีแล้วผมก็รีบกลับเข้าห้องส่วนตัวจัดการล้างหน้าเช็ดให้แห้งและพรมน้ำหอมตามแบบหนุ่มนักรักกับเข้าบ้างละเรียบร้อยแล้วผมก็รีบเลี่ยงออกจากห้องอย่างระมัดระวังตรงไปยังที่นัดหมายก็พบว่าคุณมารีคอยอยู่แล้วคอยกระผมนานไหมครับผมถามเธอบอเบาเปล่าเลย เธอตอบเบาๆเช่นกันตามธรรมเนียมของหญิงชายที่แอบพบกันลับตาคนผมปลื้มใจอย่างบอกไม่ถูกที่เราพบกันในฐานคนรักอย่างจริงๆแต่ว่าท่านที่รักผมไม่ใช่หนุ่มที่กล้าหาญอย่างเขาอื่นผมเป็นหนุ่มชนิดขี้ขลาดเพราะความรักของผมกับคุณมาลีนั้นเพียงแต่เข้าใจกันในที่นี้เท่านั้นดูมันรวดเร็วนักที่จะแอบพบกันในห้องนอนของเธอมันน่ากลัวอันตรายเหลือเกิน ข้างบนตึกนี้มีวงญาติของเธอทั้งนั้นทั้งมีนายห้างผู้เป็นบิดาของเธออยู่ทั้งคนเธอคงรู้ใจที่เห็นผมชะงักนิ่งเธอเลยดึงมือผมเดินย่องไปตามทางที่มืดอย่างดือด้อผมเดินจดเท้าตามเธอไปอย่างว่าง่ายขึ้นบันไดตึกที่ทําอย่างเครื่งฝรั่งเครื่องจีนตัวบ้านเป็นตึกแต่บันไดาทาด้วยไม้เนื้อแข็งมีทองเหลืองหุ้มเป็นคิ้วตามขอบของขั้นทุกขั้นตรงนั้น แสงไฟก็สลัวทำให้ผมมองเห็นได้อย่างถนัดชัดเจนผมก้าวเดินตามเธอขึ้นไปพอสุดบันไดมีลมพัดมาวูบหนึ่งถูกตัวผมคล้ายกับใครเดินเฉียดไปตอนแรกก็ตกใจคิดว่าใครเฉียดเข้ามาแต่ก็นึกได้ว่าลมนั้นคงวูบมาจากเฉลียงตึกด้านตรงนั่นเองมิได้มีใครเดินผ่านมาตรงหัวบันไดมันมืดจริงๆครับจึงทาให้กลัวว่าความจะแดงขึ้นทางนี้ช่างเหมาะแก่เราที่จะแอบลักลอบพบกันจริงๆ พวกที่เล่นดนตรีด้วยกันอยู่ห้องไหนต่อห้องไหนกันบ้างจึงไม่พบเห็นเลยแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงหัวเราะดังอยู่ไกลๆถ้าจะอยู่กันที่ตึกอีกหลังถัดไปซึ่งมีสะพานลอยลมข้ามถึงกันได้ผมชะงักกลัวจะไปพบเขาเหล่านั้นถ้าหากพบกันเข้าคุณมาลีจะทำท่าไหนผมบุกรุกเข้ามาในเขตที่ห้ามและซ้ายัางทาการชู้สาวอีกด้วย